องการพระพุทธศาสนาเต็มไปด้วยข้อถกเถียงนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่การสถาบนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่เรื่องราวความขัดแย้งคดีความของพระธรรมชยโยความเชื่อความศรัทธาของฝ่ายที่เชื่อกับฝ่ายที่ไม่เชื่อมีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันจนมีคําพูดว่าเราอาจจะเกิดสงครามทางศาสนาหรือเปล่าคําพูดนี้มีโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต่อโจทยคืนนี้ชวนคุณผู้ชม สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไฟสารวิสาโลเจ้าวาดวาดัวดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิครับน้ำสศการพระอาจารย์ครับก็เจริญ้องผมขอเริ่มด้วยกรณีที่หลายคนติดตามกันอยู่ก็คือคดีของพระธรรมชยโยครับพระอาจารย์ฝ่ายที่คืออาจจะเป็นวัดที่เรียกได้ว่ามีทั้งคนรักมากแล้วตรงไปตรงมาก็คือมีคนเกลียด ม, มากเหมือนกันนะครับฝ่ายที่เชียร์เจ้าหน้าที่รัฐก็บอกว่าต้องรักษากฎหมายจะต้องจับพระธรรมชยโยให้ได้ ไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้าครับลูกศิษย์ลูกหาเกิดความรุนแรงก็ต้องยอมเพื่อจะให้เป็นไปตามนิติรัฐนิติธรรมว่ากันอย่างนี้นะครับฝ่ายที่มีความศรัทธาในวัดพระธรรมกายก็บอกว่าพระรูปเดียวอายุท่านก็มากแล้วจะอะไรกันกนนะักกนหนาลูกศิษย์ก็มารวมตัวกันมาสวดมนต์เท่านั้นเองพระอาจารย์เตือนสติทั้งสองฝ่ายนี้ยังไงดีครับคือว่าจะทําแล้วก็ตามเนี่ยนะก็อยา่างสุดเนี่ย จะต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงโดยเฉพาะการถึงขั้นปะทะกันแม้ว่าทางเจ้าที่ตํารวจนะหรือว่าทางบ้านเมืองเนี่ยจะพยายามทำหน้าที่ตามกฎหมายนะแต่ว่าก็ไม่ควรทําทให้ถึงขั้นนะมีการาสูญเสียเลือดเนื้อหรือว่าเกิดความรุนแรงบาดเจ็บนะไม่ต้องถึงขั้นล้มตายนะเอาแค่บาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ควรโดยเฉพาะ มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับประเด็นทางศาสนานะก็คือน่าจะไปจับเจ้าวาเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยนะก็ถ้าเกิดว่ามีความอดกลั้นไดนะ้ขอให้มีความอดกลั้นได้อย่างเต็มที่นะจับไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ไม่เกิดความสูญเสียเพราะว่าถ้าเกิดความสูญเสียเกิดความรุนแรงแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเครียดแค้นเกิดความรู้สึกหวาดระแวงกันมากขึ้น การจเจราจาเพื่อที่จะทําให้กระบวนการทางกฎหมายดําเนินต่อไปได้เนี่ยมันจะยิ่งติดขัดตอนนี้แต่เราก็ยังเชื่อนะว่าถ้าหากมีการเจราจาที่ดีเนี่ยนะก็สามารถที่จ ะ, ะนำํำท่านธรรมชโยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการได้นะซึ่งก็ต้องทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยเหลือฝ่ายที่เป็นจํำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยได้เห็นว่า การดเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมนะจะไม่มีการกันแกล้งจะไม่มีการเมิแนแทะในความหมายที่จะทําให้กระบวนการ ท, ที่ทำเนี่ยมันผันแปรไปครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีเดิมพันสาคัญเหมือนกันไม่งั้นต่อไปเกิดมีกรณีที่พระอาจารย์ชื่อดังท่านไหนมีลูกศิษย์ลูกหามากแล้วมีคดีความถูกกล่าวหาท่านจะผิดหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งจะถูกกล่าวหาเนี่ย ก็มีคนที่มาคอยห้หอมล้อมปกป้องแบบนี้กรณีกับกรณีอื่นๆอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ไหมครับถ้าตัวอย่างแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รับทํทำไ้สสาเร็จจริงๆเนี่ ย, ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่โอกาสจะเกิดขนะึ้นมีน้อยกว่ากรณีธรรมกายมากมเพราะประการที่หนึ่งสารว่ารธรรมกายก็มีมีเครือข่ายกว้างขวางนะแล้วก็มันก็เป็นประเด็นที่ยืดเยื้อเรื้อลังกันมานานนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาเชื่อโอกาสที่จะเกิดกรณีแบบวระธรรมกายในอนาคตเนี่ยน่าจะน้อยและก็ถึงแม้จะเกิดขึ้นก็คงไม่เหลือวิสัยในการที่ทางราชการเนี่ยจะเจรจาจะให้ความมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมอัตมายยังไม่คิดว่ากรณีของพระธรรมกายจะเป็นเยี่ยงอย่างให้ที่อื่นเรียนแบบได้อย่างมี อ, อย่าง ที่ทําให้เกิดปัญหายืดียเรื้อรังนะครับอาตมาจงมองในแง่ดีครับเวลาที่สังคมภายนอกคนที่ไม่ได้เป็นลูกศิษฐฐย์วัดพระธรรมกายวิพากษ์วิจารณ์วิธีการสอนของวัดพระธรรมกายเช่นว่าทําบุญมากก็จะได้มากในขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยนะครับทีนี้ลูกศิษย์เขาก็อาจจะมีคําโต้แย้งเหมือนกันว่ามันเป็นความเชื่อความศรัทธาของเขาคนอื่นถ้าไม่เชื่อพูดกันตรงๆก็คือจะมายุ่งทําไมเงินที่เขาทําบุญ ก็ทำบุญให้วัดเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะครับพระอาจารย์ก็เป็นพระท่านหนึ่งที่ออกมาวิพาควิจารณ์คําสอนของวัดพระธรรมกายจะตอบคาถามนี้ยังไงว่าทําไมเราจะต้องไปวิภาควิจารณ์วัดพระธรรมกายครับคือถ้าสอนโดยอ้างความเห็นส่วนตัวความคําสอนส่วนตัวของอท่านธรรมชายยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอ้างถ้าทําโดยอ้างคําสอนของพุทธเจ้าอ้างพระไตรปิฎกเนี่ยตรงที่มีปัญหาแล้วคนที่เขาเห็นว่า สิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันไม่ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าสอนผิดหรือว่าอาจจะถึงขั้นว่าบิดเบือ น, นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้อาตมาคิดว่าปัญหายยตรงนี้เนีคือท่านถ้าท่านเป็นเป็นสำนักอื่นที่แยกออกไปจากาจากเถรวาหรือว่าไม่อ้างไม่อ้างคําสอนพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสนาใหม่เลยก็ได้เนี่ยอาตมาว่า คนคงจะวิพากษ์วิจารณ์น้อยนะก็เหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยสำนักสันติอโสก็ยังสอนหลายถึงหลายอย่างที่ที่คนที่เขาศึกษาคัตศาสนาเนี่ยเขาก็ศึกษาแม่งทำแม่งแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะสำนักสันติอาโซนี่ก็เหมือนกับว่าแยกออกไปเสมือนกับเป็นนิกาย์นึงใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยวัฒนการเนี่ยเป็นกรณีที่แตกต่างเพราะว่าท่านก็อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย นะแล้วก็เป็นเทราวาทแล้วก็เทราวารใคําสอนเนี่ยก็ต้องก็ต้องอิงนะพระไตรปิฎกหรือว่าอิงตามอิงคําสอนพุทธเจ้านะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสอนไม่ถูกแล้วก็อ้างพุทธภาษิตพุทธพจน์ด้วยเนี่ยอันเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วแต่เข้อวิจารณ์คือวิจารตรงนี้แนวโน้ม ท, ที่ที่ทวัดพระธรรมกายจะไปเป็นอีกศาสนา ก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าก็ยังไม่เห็นท่าทีแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเขายังอยู่แล้วไปยังใช้คําสอนของผู้ได้เจ้าใช้หลักคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงคืออะไรครับมันก็จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจคําสอนของพุทธศาสนาผิดพลาดคลาดเคลื่อนมากขึ้นซึ่งก็จะมีผลต่อความมั่นคงยั่งยืนของพุทธศาสนาคือสําหรับสําหรับ สําหรับพุทธศาสนาเนี่ยความยั่งยืนความมั่นคงเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ได้อยูที่วัตถุไม่ได้ที่ว่ามีวัดใหญ่ราคากี่พันล้านไม่ได้อยูที่ว่ามีพระมากน้อยเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่ามีการปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้าเนี่ยได้ถูกต้องไหมการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าถูกต้องก็ต้องรักษาคําสอนของพระองค์เอาไว้ให้ได้ก่อนอย่างถูกต้องด้วยคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีการสอนเนี่ยในลักษณะที่ ผิดพาดัาเคลื่อนหรือบางทีอาจะเรียกว่าเจตนาบิดเบือนเนี่ยนะมันก็จะทำให้คำสอนเนี่ยที่เป็นตัวแท้เนี่ยก็จะค่อยๆเลือนหายไปและตรงนี้ก็หมายความว่าฐานเนี่ยของพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยก็จะอ่อนแองลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นผลเสียระยะยาวอาตมาคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นคดีความตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ได้มีผลร้ายแรงต่อพุทธศาสนามากเท่ากับ การที่มีการสอนคอนําสทิผิพลาดคาดเคลื่อนและบิดเบือนกันไปเรื่อยๆจงกระทั่งตอนหลังเนี่ยนะก็อาจจะเกิดความการนับถือเนี่ยมันก็จะไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาแล้วแต่เป็นนับถือศาสนาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งที่จริงก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เป็นเฉพาะกับสำนักวัตถุมรรคายคหลายสำนักก็สอนให้เกิดความหลงโง่ใไปอีกทางนึงเหมือนกันเช่นสอนให้บูชาชูชกเนี่ยสอนให้ไปบูชาพระราโหูเนี่ย อันนี้มันก็ไม่ใช่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อ้างคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้มันก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิทธิ ท, ที่จะทําได้แต่ว่าถ้าหากว่าทําในนามของพระสงฆ์หรือทําในวัดเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับใครที่วิาพากษ์วิจารณ์คําสอนของวัดพระธรรมกายเนี่ยอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์กลับว่ากำลังอิจฉา พระธรรมชโยหรือเปล่ากำลังอิจฉาสิ่งกสร้างใหญ่โตวัดพรธรรมกายหรือเปล่ากำลังอิจฉาลูกศิษย์ลูกหาที่มีแต่คนรวยๆคนดังๆบริจาคกันร้อยล้านพันล้านเป็นเรื่องปกติก็มีสิทธิวิจารณ์ได้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกวิจารณ์ก็ต้องชี้แจงว่าจริงๆเป็นอย่างไรนะเพราะว่าการเมื่อเราวิจารณ์เขาเขาวิจารณ์กลับมานะถ้าวิจารณ์ด้วยได้ผลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รับฟัง แต่ถ้าวิจารณ์ด้วยหวังปรารถนาที่จะที่จะ discredit นะมันก็อาจจะไม่เกิดผลอะ่นใช่ไหมอาตมาคิดว่าอยู่ในวิสัยที่วิพากย์วิจาร์ได้และอาตมาคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นคือว่าเราก็โต้แย้งกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อเท็จจริงครับอาตมาก็ยังเห็นนะว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยกับสภาวิธรรมกายเนี่ยก็จะใช้กฎหมายเนี่ยไปไปปิดปิดปากเขาไปห้าข้อสอนอ แต่ว่าเราก็ต้องใช้เหตุผลก็ไปชี้แจงว่าคําสอนที่แท้จริงของพุทศาสนาเป็นอย่างไรเว้นแต่ว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยทำผิดกฎหมายทางโลกอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางโลกจะจัดการหรือเว้น<ม>แต่ว่ า, วาพระธรรมวินัยทําผิดเรื่องที่เกี่ยวกับพระธรรมวินยัย<ม>ซึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์ที่ต้องดําเนินการ<ม>าเช่นตับบาราชิกจะต้องทําอย่างไรอันนั้นก็ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไอ่าใช่ครับคือเอา คดีความทางโลกมาโดยมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเบื้องหลังเพื่อจะยุติคําสอนแบบนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้ก็อนไม่ไมห็นด้วยนะคือว่ามันมันต้องใช้ใช้ใช้ความรู้ใช้ข้อเท็จจริงนะการที่ไปไปไปยืมกฎหมายทางโลกหรืออํานาจทางโลกมาปิดปากเนี่ยมันไม่ควรเพราะว่าการสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องของการใช้เหตุผลนะ ก็ต้องควรจะเปิดโอกาสให้มีการพูดนะและถ้าเกิดว่าก็สอนผิดก็ต้องโต้แย้งนะอย่าใช้อำนาจเพราะถ้าใช้อำนาจต่อไปเนี่ยมันอำนาจนั่นก็จะกลับไมมีผลเสียต่อตั ว, ตวาศาสนาเองถ้ า, าศาสนาเนี่ยใช้อำนาจนะมันก็ทำให้เกิดเรื่องการเมืองเข้ามาพัวพันแทรกแซงจนกระทั่งเกิดปัญหาซึ่งมันก็มีตัวอย่าง รพระอาจารย์กําลังเตือนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยทางวัดวัรนบุรีเองเขาก็เอาความเชื่อความศรัทธามาเป็นเกรอบกาบังกับกฎหมายทางโลกเหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครัอันนั้นก็ก็เป็นสิทธิที่เขาจะทําได้แต่ธรรมะคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยให้ศรัทธาเนี่ยมันคนละเรื่องนะศรัทธาหรือว่ามีความเชื่อดีแค่ไหนแต่ถ้าทําผิดกฎหมายก็ต้องถูก ด, ดําเนินคดีนะไม่ใช่ว่าคนที่เชื่อถูกแล้วเนี่ย แม้แต่เชื่อถูกต้องแมันจะถู่กฎหมายด้วยทําผิดกฎหมายเนี่ยจะได้รับกับปกป้องก็ไม่ใช่แต่เชื่อผิดนะแต่ไม่ทําผิดกฎหมายเนี่ยจะเอาเอากฎหมายไปเล่งงานเขาก็ไม่ถูก<ม>ใช่ไหมอาตอมาคิดว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องจําแนกแยกแยะให้ถูกครับอีกเรื่องหนึ่งในรอบ ป, ปีที่ผ่านมาที่เราพูดกันมากกันเราก็วิาวาพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือการสถาบนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นะครับเหมือนกับว่าชาวพุทธ แทบจะมองแล้วแทบจะไม่ต่างกับเรื่องทางโลกเลยที่พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมาพูดกันเรื่องตําแหน่งมาต่อสู้กันมาว่าท่านนั้นท่านนี้จะต้องได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันดูขัดกับความเชื่อขัดกับคําสอนของพุทธศาสนาที่สื่นเชิงนะคระอาจารย์ครับคือสมัยก่อนพระท่านก็ไม่เคยได้ตื่นเต้นกับเรื่องของอสมณศักดิ์เท่า<ช>ไหร่นะ<ช>มันก็มีคำพูดว่ายศช้างขุนนางพระหมายคือว่าก็มันเป็นเรื่องโลกธรรมอย่าไปสนใจอะไร พระสมัยก่อนท่านก็ไม่ให้สนใจเรื่องของสมณศักดิ์เท่าไหร่เพราะว่า1ท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องโลกธรรมและ2มันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาสมัยนี้เนี่ยสมณศักดิ์เนี่ยมันมาพร้อมผลประโยชน์นะแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะตักตัวผลประโยชน์กันได้คือก็ต้องยอมรับพระเราก็เป็นปุ้ดุชนนะสมณศักดิ์เนี่ยถ้าเรารู้จักใช้มันมันเป็นประโยชน์นะ แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้สมรサสะเนี่ยมันมาใช้เราหรือว่าเรากลายเป็นท่าของมันเนี่ยก็เป็นอันตรายตอนนี้เนี่ยพระเนี่ยพระเราจนวนไม่น้อยเนี่ยก็เหมือนกับว่าตกอยู่ภายใต้การรอเราเย้ายว น, นยของโลกธรรมของลาบสัพทานะถ้าไม่มีภูมิภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยไม่มีสันโดษไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเนี่ยรักษาใจเนี่ยก็โอกาสที่จะคล้อย ไปตามสิ่งอรอเราเย้ายวนจนกระทั่งมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากชาวโลกเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นและนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์จำนวนไม่น้อยนะซึ่งอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราต้องช่วยกันแก้ไขนะนะจะต้องทำให้อาการที่ตกอยู่ภายใต้หน้าของโลกธรรมเนี่ย เจ้าี้ที่มีที่ผลต่อคณะสงฆ์เนี่ยมาลดน้อยถอยลงไปให้ได้ครับแต่พอชาวพุทธพูดมากๆพระก็จะบอกว่าให้เป็ น, นกลไกของพระได้ไหมทางโลกเนี่ยอย่ามายุ่งยุ่งแล้วมันจะวุ่นวายแบบนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามีการเมืองแทรกแซงมีพระท่านไหนเป็นของใครอะไรแบบนี้หรือเปล่าตกลงชาวพุทธยุ่งกับพระสงฆ์มากน้อยได้มากน้อยแค่ไหนครับธรรมเนียมของชาวพุทธไทยแต่ไนแต่ะไลมาเนี่ยนะพระสงฆ์กับคารวะก็ไม่ได้แยกกันนะครับ ประสงค์ไม่ได้ทำไม่ได้ทําที่แค่สอนนะแต่ว่ายังฟังนะฟังคำท้วงติงสมัยก่อนคารวะญาติโยมเนี่ยท่านก็สอนพระนะพระบรมราชวังเนี่ยมีโรงเรียนนะก็ให้พระให้ให้คารวาเนี่ยมาสอนพระสอนบาลีนะแต่ที่จริงสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนี่นะเป็นสังฆราชไกลๆนะไม่เพียงแต่ถวายสมณศักดิ์ กับพระแต่ว่ายังสามารถที่จ ะ, อะถอดถอนหรือว่าะจะแต่งตั้งแล้วก็สามารถที่จะกํากับการทำงานของพระสงฆ์ได้จนถึงรัชกาลที่5าเนี่ยนะพระองค์นี่เป็นสังฆราชไกลๆสมัยนั้นไม่มีสังฆราชนะมาเทียนสมาคมเนี่ยทำหน้าที่ถวายคาปรึกษาถวายคาปรึกษาแก่ในหลวงรัชกาลที่หา แล้วท่านเนี่ยพระองค์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะกําหนดว่าเรื่องการพระศาสนาจะเป็นอย่างไรก็จะส่งเรื่องมาที่มาจินสมาคมให้ช่วยดําเนินการเรื่องนี้หน่อยวันทีก็ให้พระเจ้าน้องยาเธอเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นพระเนี่ยคือซึ่งต่อมาเป็นพระมาะสมรจ้ารกลมพยาบุเชียวบุเชียวว่รลดดเอาช่วยทำเรื่องนี้หน่อยนี่คือพระเจ้าอะไรจะบอกว่าแยกกันไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้แยกกันครับนะ คาวะเนี่ยในบางช่วงนี่นะเป็นสังฆราชไกลๆคลารวะในที่นี้คือพระคือพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมแต่ว่าในระดับในระดับในระดับท้องถิ่นเนี่ยสมณศักดิ์ก็ไม่ได้มาจากในหลวงอย่างเดียวมาจากชาวบ้านมีประเรพณีโคดสงในอีสานคดสงก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยมอบสมณศักดิ์ให้กับพระที่เขานับถือสมณศักดิ์ก็มาจากชาวบ้านเพราะนั้นเนี่ยจะพูดว่า คารวาสยุ่งกับพระไม่ได้อันนี้เป็นของใหม่สมัยก่อนี่ไม่เคยแยกกันชัดเจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่คารวาสจะทวงติ้งพระนะหรือว่าจะมาช่วยทําให้การคณะสงฆ์มันดีขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําได้เพราะว่าไม่ได้ขัดกับธรรมเนียมที่มีมานานแต่อยู่ที่ว่าอย่าไปก้าวไก่มากเกินไปต้องมีความพอดีพองงามใช่ไหมครับทั้ง2เรื่องที่ผมชวนพระอาจารย์คุยวันนี้ทั้งเรื่องวัดพระธรรมกายทั้งเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ แน่นอนคนที่อยู่ตรงกลางคนที่อยู่บนเส้นได้ก็คือรัฐรัฐจะวางตัวยังไงถ้าเอาใจอีกฝ่ายหนึงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะลุกฮือถ้าดูเหมือนจะเข้าข้างอีกฝ่ายนึงพระสงฆ์ก็ลุกฮือได้เหมือนกันรัฐวางหน้าที่ตรงนี้ยังไงครับเดี๋ยวใช้อำนาจอย่างเดียวนะต้องใช้ต้องใช้เหตุผลต้องอธิบายเกิดความเข้าใจต้องทําให้ชัดเจนว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ย มันจะเป็นไปอย่างบริสุทธิยธรรมถ้าผู้ต้องหาไม่ได้ทําผิดก็จะบริสุทธิ์ก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากว่ากระบวนการเนี่ยเป็นไปอย่างอย่างอย่างเที่ยงตรงแล้วก็เที่ยงธรรมเนี่ยอัตมาว่าผลสุลออกมาจะเป็นที่ยอมรับอย่างเราก็ตามก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องภาพพจน์และตัวสาราด้วย เพราะฉะนั้นก็ทําให้เป็นที่กล่าวหาได้ mm hmm. ว่าอันนี้มีการเมืองเข้าแทรก mm hmm. มีการกันแกล้งแต่ว่าก็ต้องธรรมมาคิดว่า น, นี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของทางรัฐที่ต้องต้องไปแก้ต้องไปแก้ต้องไปชี้แจงต้องทําให้เกิดความมั่นใจเช่น mm hmm. ท่านธรรมชโยจะมาควรจะมามอบตัวแล้วก็ควรจะให้หลักประกันว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ประกันได้ถ้าให้ความมั่นใจว่าเ อ, อประกันได้เนี่ยนะธรมาว่า โอกาสที่จะมอบตัวก็มีสูงเพราะว่ามอบตัวเสร็จล้วประกัน ก, ก, ก็ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายกแบบับท่านธรรมชโยที่พระอาจารย์เราจะบอกว่าจริงๆทั้งสองเรื่องที่ที่เราคุยกันเนี่ยมีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการยุติธรรมที่มันเกิดความไม่เชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นพอจะมาบังคับใช้มันก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะใช้เพื่อกําจัดใครหรือเปล่าทั้งเรื่องวัดพรธรรมกายทั้งเรื่องสมเด็จพระสังฆราชมีควา ม, มเชื่อว่าจริงๆว่ากระบวนการอาจจะ มีกา ร, การแกล้งหรือใช้เป็นข้ออ้างข้ออ้างเนี่ยถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยนะมันก็ไม่มีน้ำหนักแต่ชาวสังคมไทยข้ออ้างแบบนี้เนี่ยมีนั ม, นมันพอจะมีมูลเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาเยอะในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองนะ<ม>โดยเฉพาะเหลืองแดงเนี่ยมันมันเข้ามาผักพันกับทุกเรื่องที่ทําให้ทุกสถาบันเนี่ยโมงหมองทุกสถาบันตอนนี้เนี่ยนะมันมีการเมืองเรื่องเหลืองแดงเข้ามาทําให้โวงหมองทั้งนั้น สถาบันสงฆ์ก็เหมือนกันกระบวนการสถาบันทางด้านวยิยธรรมก็เหมือนกันทั้นก็ต้องค่อยๆแก้กันไปรสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นครับถ้ า, างนั้นคำพูดที่หลายๆคนเริ่มจะพูดกันแล้วนักวิชาการก็เริ่มตกเถียงกันว่าสังคมไทยกําลังจะนาไปสู่สงครามความเชื่อทางศาสนาพระอาจารย์ประเมินยังไงครับเราใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วหรือยังครับสงครามความเชื่อถ้าเป็นความเชื่อทางการเมืองเราเป็นไปได้แต่ไม่ใช่สงคราม ที่เป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาการต่อสู้กันจนเลือกตกอย่างออกเพราะการเมืองเนี่ยมันก็มีตัวอย่างมันแล้วใช่ไหมแต่อรรมะ ไ, ไม่คิดว่ามันจะเป็นสงคารามศาสนาจากกรณีธรรมกายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของศรัทธาจริงๆจริงๆเนี่ยฝ่ายที่เชียร์กับฝ่ายที่ต่อต้านธรรมกายเนี่ยอาตมาว่าไม่ใช่ร้อเซ็นต์นะที่ทํำไปเพราะศรัทธาอาจจะมากกว่าครึ่ง ทำไปเพราะมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันเช่นถ้าเป็นเสื้อแดงก็สนับสนุนธรรมกา ร, รถ้าเป็นเสื้อเหลืองก็ต่อต้านธรรมการรคับเสื้อแดงหลายคนจำนวนมากอาจจะไม่ได้สนใจศาสนาไมไ่สนใจเรื่องคณะสงฆ์ไมไ่สนใจเรื่องสมเด็จชั่วมาก่อนจากพอเห็นเสื้อเหลืองต่อต้านก็เลยต้องเข้าข้างมาก่อนอคือไม่ได้มีไม่ได้ทำไปเพราะศรัทธาไม่ได้ไม่ได้ทำไปเพราะเรื่องศรัทธาในศาสนาแต่ทำไปเพราะแรงจูงใจทางการเมือง ่ว่าวัดพรทธมกายนี่เอื้อเฟื้อกับเสื้อแดงเราควจะปกป้องส่วนเสื้อเหลืองเนี่ยนะก็ไม่ได้สนใจาศาสนาอะไรจํานวนมากเห็นว่าอวัดพรทธมกายนุ่นเหนือเสื้อแดงนะก็เลยต่อต้านหรือเพราะว่าผู้นําฝ่ายเสื้อเหลืองอไม่ชอบวัดพัทธรรมกายก็เลยต่อต้านนั่นทำมาคิดว่าคนที่เชียร์และต่อต้านวัดพัทธรรมกายเนี่ยอาจจะาอาร ม, มากกว่าครึ่งเนี่ยไม่ได้ เป็นไปเพราะมีความศรัทธาแรงศรัทธาที่แตกต่างแต่เป็นเพราะความเชื่อทางการเมืองหรือถือหางการเมืองที่แตกต่างกันมากกว่าเพราะเราป้ายสีให้เขาว่าเขาเป็นสีอะไรเราก็จะใช้ความเชื่อที่ตรงกันข้ามของเรานั่นแหละไม่ใช่การที่จะอยากจะบอกว่าลุกขึ้นมาปกป้องศาสนาจริงๆว่าอาจารย์ก็ยังไม่ไม่เชื่อแบบนั้นไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อในศาสนาเป็นเรื่องพวกเอาพูดตรงๆเป็นเรื่องพวกพวกนะพวกมันหรือพวกกู หรือพวกมึงหรือพวกกูเนี่ยมากกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเรื่องนะเรื่องพวกมากกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อทางศ า, ศาสนาครับนะาจะจับประเด็นอะไรก็ตามเนี่ยนะมันจะมีเรื่องพวกเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวา่าถ้าจับประเด็นเรื่องสิง่งแวดลอ้อมอ่าอันนี้พวกเหลืองออืนะพวกแดงก็อาจจะคานถ้าทาถ้าถ้าชูเรื่องประชาธิปไตย พวกแดงอันนี้พวกแดงคนชูคนคนชูประเด็นเนี่ยพวกแดงเพราะนั้นพวกเหลืองต้องต้านคร <C> ับคือทุกประเด็นตอนนี้เนี่ยมันมีกับการมือเรื่องเหลืองแดงเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทุกเรื่อง <S <S ไม่เป็นแม้แต่เรื่องศาสนาไม่เป็นแม้แต่เรื่องคุณสรยุทธ์ไม่เป็นแม้แต่เรื่องเขื่อนใช่ไหมไม่เป็นแม้แต่เรื่องดารา บ, บางคนเั้นตอนนี้เนี่ยตมาคิอปัญหากิมเรื่องสองครามศาสนาจะเป็น สงครามทางการเมืองมากครับแต่ถ้ามองในแง่ดีพอมันเป็นสงครามทางการเมืองเนี่ยความละเอียดอ่อนคือเท่าที่หลายๆท่านประเมินเนี่ย น, นักวิชาการด้านศาสนาเนี่ยบอกว่าความเชื่อทางศาสนาเนี่ยละเอียดอ่อนมากกว่าพร้อมที่จะบาดเจ็บล้มตายได้มากกว่าสงครามทางการเมืองด้วยซ้ำหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นเปนพยายามจะมองในแง่ดีไหมครับว่าเราอาจจะไม่มีภาพเหมือนกับในรัฐแย่ไข่ของพมา่าอาจจะไม่มีภาพเหมือนกับมุสลิมสายชีอะฮ์กับซุนนีที่เขาประชิญหน้ากันทะเลาะกันจนถึงบาดเจ็บล้มตาย คืออย่าลืมนะว่ามันมีคำพูดหรือสำเนอว่าศาสนาการเมืองเนี่ยนะอย่าไปแตะถ้าอยใหญ่ๆเป็นเพื่อนกันเพราะว่าทั้งศาสนาการเมืองเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์นะเพียงแต่ว่าเรื่องของกรรยุทธธรรมกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องศาสนาล้วนๆนะนะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องของความเชื่อที่ผูกพันหรือว่าสะสมกันมานานศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มากเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอารมณ์หรือว่าความเป็นมาที่สะสมกันมานานเช่นชีอากับชีอากับซุนีเนี่ยเขามีความเป็นมาเป็นพันปีใช่ไหมอยู่อารมณ์มีความเป็นมาเป็นพันปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส ป, ปาร์กได้ง่ายนะแต่กรณีของทางการมันไม่ใช่ เ, เรื่องที่มีความสะสมนทางอารมณ์เนี่ยกันมาเป็นร้อยปีใช่ไหมแม้แต่เรื่องการเมืองในเมืองไทยเนี่ยมันก็เพิ่งจะเกิด<า><า>มาแต่ว่ามั น, มน พอมันมีการประท้ากันจนถึงขั้นเลือดตกย่างออกแล้วเนี่ยมันมีความเก็บกดทางอารมณ์สูงมากมีความเกลียดชังสูงมากโอกาสที่จะสปาร์กเนี่ยแล้วก็เกิดความรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วอรรมาเพื่อมากกว่ากรณีธรรมกายนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนทนาธรมกันกับพระอาจารย์เผยสารอย่างน้นนอยๆอาจจะมีในแง่ดีอย่างหนึ่ ง, งก็คือที่เราเถียงกันในวงการพระพุทธศาสนาเนี่ยลองทบทวนดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อทางการเมืองที่ เจอปนอยู่ด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์ก็เลยประเมินว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นใช้คำว่าสงครามทางศาสนาแต่ว่าในทุกๆเรื่องที่เราคุยกันวันนี้สุดท้ายปลายทางก็มีความเสี่ยงในตัวของวันนะครับวันนี้นัศาศากรสาทารพระอาจารย์ครับเจริญพร